สาธุสาธุธรรมะธรรมังธรรมะทิสนาลัทธนังการุณาสาธุเกษนานโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัมาโตมัจจุโปรภันติพุทธะปรินิปันตปัฏฐานะ ตั้งแรกแต่เก้าพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปบันนี่ศาสนาหลวงแล้วสองปภหาวยห้าสบสี่ภาปัจจุบันสมัยหมายว่าเป็นปีพุทธศักราชสองปหห้าิบห้าแม่นตัดกับเดินสี่เรียมสิบ่ำในวันเมือนี่อุตลูกกติไดเตเตสนาธรรม ในปรมยอักษธาวาด้วยเริงความผ่าหมาดลองลืมอันวานั่นเป็นตั้งแห่งความตายสืบต่อไปปรมยอัทษธาก่อตั้งใจฟังโดยกิริยาอันดีงามเอามือลองฟังก็ได้อ่ะประมยอักษธาไวถึงกําก้อนพอกก้อนใครรับก็สัมปตุเตียดยาว เหมือนต่างสุดก่อไดมาดีใจกับปมมีออกศรัทธาอันไดมาฟังธรรมเมื่อว่าเมื่อซื้อนิ้มหลายกันนี่แต่ว่านี่ ม, มาหลายเขาเวหารมาหันศรัทธาประขเขเรียนไปหันศรัทธานําเหมือนต่างก่ว่าติมได้มาเตเตะสนา จับใส่มือสอบทาประจําปีปอกโทนตีฮาสิพนี้ก็เลยมีโอกาสมาถึงปอเัยมาเอก็อยู่ดีอยู่เมืองไทยเหมือนเมืองเฮาไม่ออกบอกเขาตีเปิรนฮ้อนพอมาถึงตีเฮากัดคอเจ็บหัวเมาตาลายกัเร็วซับกดแตกผิวก่อแห้ง ยังดีตีนดยเมียก็ซื้ออ阿าสีช่อมาตานปั่นเอา阿อ拉สีช่อมาตายดีขึ้นมาถ้าพายผิวแตกผิวแห้งใจ阿拉สีช่อเนี่ย อ, อนนนะะันนี้มันได้กาโกษนานะกวนีมาเตเตสนาเหนบผมอมกเป็นตอนสุดท้ายอายุน้อยหรือเสเปืน ว่าสาวน้อยเลเสเปิลหน้าหนุ่มหรือเสเปิลตาหูก่อนน้อยหรือเสเปิลถือว่าเป็นน่องลาเป็นน่องซ้อย mm hmm. ก็มาเตะเตะศรนธรรมในปมหยอกสัทวาในวันมือนี้ในการสอบพระปริยัติธรรมทว่า มีการสอบภาพปริยัติธรรมเฮาก็มอะมาทอบกันผู้ ก, ก็อยู่เมืองไกลแม่เอข้าวปอกขา้ขาก็มีนาตีภาระเวิกการห อ, อการเฮิรนก็มีจังมาทอบหันกันจังมาฟังธรรมได้วันนี้อาศัยการสอบภาพปริยัติธรรมประจำปีปอกโทนตีหาสิพกของห้องเห็นสังฆาราจุปธรรมวราจัดฐานลหลวงโฮ่งคงแค่เธออะไรมาปอบทอบกัน เหลือเซนี่ก็ยังมีปมเหอะศรัทธาอันใจศีลใจบุญในปีนี่เนี่ยก็ได้ปอกใจติบอ่อนีออกนั่งโยงเป็นเก้าในการตริบการตานอุปธรรมกัมจูการศึกษาหำเฮนผิกคู่สังฆาสามเนิส่วนหลายผู้ตีเข้าใจก้มแถมการศึกษานั้นมีน้อยปมเหาะศรัทธาส่วนหลายนักไปตังการก่อการส้าง ก็มีการก่อการสร้างก้อนนั้นที่เอาผาตูก้อนนั้นที่เอาเสาวิหารก็แต่ว่าการศึกษาห่ําเห็นมีผู้เข้าใจน้อยอันติดเตมันการศึกษาหั่มเห็นมีความสําคัญหรือเสียเปลิ่นในการติดที่อูเนปลมหยอกสทัทถาในวันเบอร์นีว่าด้วยเรื่องการศึกษาหั่มเห็นสองอย่างสองภาคการ ศึกษาหำเห็นตังหนกแล้วก็ศึกษาหำเห็นตางธรรมมีไหวสองอย่าง<แ>การศึกษาหำเห็นนั่นแหละปมเมี อ, อกสะทธาติมได้ผะามาดลองลืมอย่าพี่ตื้อเบาอย่าพี่ไหวัวางห้องหวั่พผามาดพอผ่ามาดเป็นห่อนตั้งแห่งความตายผ่า<แ>มาดในหิดในกองหิดกองก่อมองก่อเศา พมาา่าในศาสนาก่อจังไรบาปพมา่าในการเป็นอยู่ในชีวิตนาหอต่อเฮิรนกรมจังคืนใหญ่ไหนจังเจริญไหนฉะนั้นตุกเวลานาตีปอมเมียกศรัทธาที่ได้มีสติอย่าพี่พะม่าหลองลืมมืัอนี่ปอมเมียวศรัทธาเขาฟังคือได้ทําคือได้แจง้งแจงอย่างพี่กั่งปอกมอืออ่าพอฟังได้ขึงได้กลางปอกมือนี่กขมไดนซัง ในเมืองไทยมีก่อนหนึ่งเจ้าตอนหนึ่งจีวาคูบาดีพอต่างเจ้าเตศ๊ซนาทำพมีสามสี่คอต่างเจ้าที่ว่าก็ดีก็ดีเหมือนว่าศีลฮานี่ต่างเจ้าเตศนาว่าการคาซัดก็ดีการลักของเปิดมากินก็นดีการแลนจูซูโผสซูเมก็ดี การอูกรรมแปดกรรมหลายจสุสอสอนสอคือเปิร์นได้เสออกเสใจได้รู้เลยซุมก็ดีมีป อ, อกก็หนึ่งมาฟังเต็มใจปอกออกติเฮานี่นะเลียนปอกมือกัมเรีวอ่ะไปเปล่าในเปิรนอดีเสียงมดคาสัดก็ดีหลักของเปิร์นก็ดีแลนจูซูโผเมก็ดีไปกล่าวในเปิรนอันนี้ห้องอ่ะฟังสุดฟังแล้ว กำพาสิตโบราณหว่าหูมแจงไข่แทงกำหลายฉะนั้นปรมยเอลสัทธาวันนี้มาฟังฟังหือสุดๆุดตั้งแต่เก้าสุดปลายเพราะว่าเย่ปีมิเย่ปอกติปรมยกอสัทธาเขาตีใดมาฟังทมในวันเบื่อนี้ปมยกอสัทธาเขาตีมใดพมัดในการศึกษาสองอย่าง การศึกษาตั้งโลกปอมยียกะศรัทธาก็ก่อหูอยู่ปอมเหยาะศรัทธาก็หันถึงความสําคัญอันนี้มีหลูกมีหลานก็ส่องเข้าศึกษาหงเฮนมีก่อมามีก่อหามมา ก, ก่อเหรีสองหรือเข้าอะไหัไห่มในเฮนเหมือนก็ถึงพวกได้ขายหาขายนาขายเติบดินขายหอขายเฮิ่นสองหลูกเฮนก่มีอันนี้เป็นการศึกษาตั้งโลก การศึกษาตั้งโลนันปอมยวลสัทธาอุปัฏฐำพกำจูหลูกล้านได้หั่มใดเห็นเห็นฮือตึงตีเหมือนเมืองเขากาะเห็นจอบซิปตานต่อตะกะโตสืบไปหือเขาป่มเมลต่างหูต่างลักใหญ่มากเขาก้ากาะที่จอยแถมตูวเก่าใดปอมเมลสัทธาเขาเ้าเกศเทาจรามาอันเป็นหลูกเป็นล้านเกาะมาอุปัฏฐำพกำจูลุมลาเขาใด้ำเหมือนเขายังหน่อยปอมียมลสัทธากำจู มุปะถามเขาได้หัมไรเห็นใ้ศึกษาเขาใหญ่มากกว่าเขาลําบากเป็นปอเป็นเม่ย ก, ก็ลําลบากฉะนั้นการศึกษาปอบเมยียกศรัทธาก็โกรธ ห, หันถึงอยู่แต่ก็มีปอเมยียกศรัทธาหลายผู้หลายคนห่างมีดีแผ่นมีเขาของเงินคําโกลูกไรผาดโกลูกได้รยานอุส่องลูกเห็นอุปั้นลูกเมือไกบอกว่านางเอ้ยใจเอ้ย สัมปติโคของเงินคำเขามีนามนหนำ เ, เ, เนนนยาะมัหลจจ่่่่่่่่ขข่่่่่่่่่่่่ม่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่โ่่่่่่า่ี่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มสอ่อ่่่่่่่่่่่น่่ ก, ก่่กกกก่่นะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เหมือนก็ฮู้ซิงซิงพโหลัวใจหลสอยมาเตะเตมอสิอันอันนั้นฮู้อีนึงอันนี้ฮู้อีนึงหลใจมาเตะเตะเข้ากันฮู้ฮู้เตถึงเตะเตะเห็นตังหนอกก็บปอมเมัท่าขอสองหลูกสองล้านใดหำได้เห็นคือถึงป้อแกะโตอมเปตสร้างนาหอโต้ขึนในตก็เดียวไรกําโบรานเาสอนว่าดำน้าคือหันถึงทรายนอนหงายคือหันถึงฟ้า กอดำหนําหันทรายก่อปองหลองสังไรขึงไรกลางนอนงายมหันฝ้าก่อถือหวังเต็มทนปริปุนาเตื้ปอปมเอียกศรัทธาไรส่ลูกสองหลานเฮนการศึกษาตั้งหนกวิจาตั้งหนกนั้นมีหลายปมเอียกศรัทธาส่งเข้าศึกษาหําเฮนในหูในรักการสร้างนวหอตัวเฮนตุกสิ่งตุกอย่างห้องวัดศิลปะในการเล่งดู หมอเฮ็ดเขาอู ก, กไไห็ห่อไรขายหมอเฮ็ดเขาแคบกไไห็ห่อไรขายอันนี้เป็นปัญญาคือไรหู้เต้เเอาดินมาปั่นแป้นกรกอ่อกยังไรไขายเหมือนบันหะวันสาตตีปีโล่กันถ่ายวิดีโอนี่เขาเฮ็ดดินขออดิ น, นมาปั่นก็ได้ไขายเอาไม้มาสานก็ยังได้ขายอันนี้เป็นปัญญาต่างหรอก ปอมมียกซัท่าที่ได้ส่องลูกสองล้านคือเข้าวฮู้คือเข้าหมอปอเขา้าวฮู้ข้าหมอยาววันไปนามาเขาก่อลิ่งดูเขาได้ปอหมียกซัท่าเท่าเก่มาเขาก่อลิ่งดูได้อีป่ออีเมีเขาไข่ติบไข่ตานเปิไว้ถาดไว้ทําไข่มือกอะไรเขาก่อม่มีตังหม่ใจอันนี้ในการส่องลูกเห็นการศึกษาตั้งหนก ส่วนการศึกษาตั้ง ร, รมการศึกษาตั้ง ร, รมเป็นการศึกษาเปื่ฮละเฮดฮือกิเลสอันเฮ็ดฮือใจเสหมองนี่บอกบางหลงผมยอยากสาัทธาการศึกษาตั้ง ร, รมพระพุทธเจ้าเตสนาวัยมีสามผการห้องว่าศิกขาสามตาลี่ห้องว่าซิกขาพอเป็นภาษาพื้นเมืองเขาก็ คำว่าศึกษาคำว่าศึกษามาจากภาษาสันสกฤตสิกขาเป็นภาษาปาลีแปลว่าการห่ําเห็นคือหู้แล้วก็ปฏิบัติเหมือนปลอมเมี่ยวสัทธาเขาสมารทานศีลปานาติปาตาเวรามาัมณีสิกขาปตังสมาติยามิคำว่าสิกขานี่แหละมัในใจว่าคือหู้อย่างเดียวหู้แล้วเอาไปปฏิบัติแทง ได้จือว่าสิกขาในวราระพุทธศาสนาปมเหาะศรัทธาเขาหูคาสัตดีหลักของเปิ่นหิมของเปิ่นคุบของเปิ่นจริงของเปิ่นดีแลนจู่สูโผลสูเมมดีหมอเป็ดหลซ้อนศอคือเปิ่นไรลู่ไรสุมดีกินสุรายาเมาแออันเฮ็ดคือหลองสติอันเฮ็ดคือสติหลองลืมดีพอหู่กันนี่ไงพอปฏิบัติ ที่ไประโยชน์ก็มีหลายนะผมเมียสัทธาการศึกษาในวราระพุทธศาสนาจึงเป็นการเฮดฮหอฮู้แล้วก็ปฏิบัติจอมห้องว่าการศึกษาปาลีห้องว่าสิกขาพระพุทธเจ้าว่าการศึกษานั่นก็มีสามประการหนึ่งศีลสิกขาศึกษาเรื่องศีลผมเมียสัทธาเข้าปูถึงศีลหูกําเนีย ศีลหา้าแปลว่าอะไรกูก็ศีลหานี่ไกด์เจ่ากะคำหมายนั่นของเหมียวศรัทธาเขาติมหูเสียงกคำวา่าศีลหรือศีลลัทธิขาเนี่ยแปลว่าการศึกษาเหลืองศีลคือหู้แล้วก็ปฏิบัติศีลนั้นมีหลายภาคการภาคการตีหนึ่งศีลหา้าเหมียวศรัทธาเขาศีลหามีหลายขอ้อ ศีลหามีหักคออย่าพี่ตอบสี่คอหนึ่งศีลหักปลอมเมียกศรัธทธาก็าหู้อยู่ยอดกัมนี่ศีลต่าง ห, ห, หลายเจ้าหลายอย่างทางตีปลอมเมียกศรัธทธาหู้ก็มีศีลห้าเหมือนเท่าไรสมรธานไปเหมือนเจ้าน่ะคือแว่นเวจากกานคาสัดตัดชีวิตบีเบ้นหิงสาเปิ่นแว่นเวจากการลักคุบจริงหิมโจนเอาของเปิ่นมาเลี้ยงชีวิตจิตใจ เว่นเวจากการเล่นจู้ซู้โผไม่เปิน่นแว่นเวจากการกล่าวคำเป็ดคำไหลายจุสอนส่อคือเปิ่นไร่ลู่ไล่ซุ่มไล่พิษได่เถีงกันแว่นเวจากการดื่มสุรายาเมายาม่าตุกสิ่งตัวอย่างอันแค้ถือหลองลืมสติคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นกคำสอนตีมเด็ดขาดนะไม่ไลว่าห้ามแต่ว่าพระเจ้าจี้ว่าอันนี้สมโกนีเว่นไม่สมโกนีเว่น ปอมแว่นที่เกิดสั้งขึ้นมาป้อแว่นอะไรสันที่เป็นสั้งขึ้นมาคำว่าสมโกนี่ภาษาปาลีว่าเวรามณีเป๋วปึงแว่นโกนดีแว่นเออวาพระเจ้าเตสนาไว้ปานาตีปาตาเวรามณีโกนดีแว่นเวจากการยังสัตดอันมีชีวิตจิตใจหือตอกห่งต๊อกหายหือได้รู้ได้ซุมได้ตายไปวะอันนี้ศึกษาเหลืองศีลศีลอย่างอื่นแท่ง การเผิดการซิมแก็บโคห์ห์โคเ ห, หินหมอใจสอยหมอจ่ายเงินจะนี้ก็เป็นศีลนะปมเมียวศรัทธาหมอแก็บหมอเผิดหมอซิมเป็นศีลเหมือนกันภาษาบาลีภาษาพระห้องว่าปัจจะยะสันนิสิตาศีลแปลว่าศีลคือการอาศัยพาห่อมคูใบอาหารของปมเมียวศรัทธา กินก็กินแต่ดีแ ต, ต, ต่งามการหมอใจหมอสอยหมอใจหมอจ่ายอันไหนก้นซื้ออันไหนก้นจ่ายอันไห น, นก้นใจอันไหนก้นกินอันไหนมันก้นกินอันนี้ก็ห้องจีวรศีลเหมือนกันห้องจีวาปัจจยาสันนิสิตาศีลอยู่หออยู่เฮิรนก็เหมือนกันจ้อนเป็นจ้อนจานเป็นจานโคเป็นโควไหวเป็นตีเป็นตั้งอันนี้ก็เป็นการหักษาศีลในปหมีอกักษรตาะว่าโคหอโคเฮิรนเหว่ ติวดาอันโวยก็มาอยู่จ้อมอ่ะติวดาเนี่ยมาอยู่จ้อมคอนว่าไปว่ามากก่อนอ่ะหัเข่ามันพอดีเนี่ยมีอกเนือติวดาก็อยู่จ้อมไหลพอถ้าว่าโคโหโคหืนเ่าวือติวดาอันโวย ตีวดาขมจะดีทุกก้นนะ้ำจะดีทุกตอนนำไม่ออกตีวดาบ่วยจะ ม, มาอาบน้าก็มีใช้อาบน้ำเลยตีวดาจาอาบน้ามาไปมาลุมลาหักษาเหมือนควนเฮาตีไหนอันสะอาดเข้มคนเฮาก็เจอกอยู่ที่นั่นตีวดาก็เหมือนกันตีไหนสะอาดตีเข้มก็เจอกอยู่ที่นั่นควนอันโวยก็เจอกอยู่ตีโวย มีเวล า, าก็เหมือนกันอันนี้ก็ห้องว่าศีลเหมือนกันนะป้อมเหยวอสัทธาหมอใจหมอใจแก็บเพจซิมคอห้อโคห้คอโ ค, อคอหืนทั้งอย่างหนึ่งการสังรอมตาหูดังลิ้นตูจ่ายเขาก็เป็นศีลเหมือนกันอนะห้องว่าอินตรีะสังวราศีน่ะป้อมเหยวอสัทธาตานี่ก็หมอตัวสิ่งตีกนตัว หูนี่ก่อฟังแต่สิ่งดีโกนฟังอันไหนดีอันเป็นนําทําคําสอนฟังหมอฟังเหมือนก็อหมอฟังจกไปฟังคมสัง่งคำสอ น, สอนเปิรนอู ก, กันที่หันยินดียังเอามือไปวางหี่ฟังทั้งอยู่จังมีเอออันนี้หอมว่าหูมากดีหูไข่ฟังกรคำดีนําทําคําสอนมีมฟัง เปินสอนอันไหนเข้มเข้มเข้มฟังแต่เจิกไปฟังกําสอนเหมือนก็ก็เจิกฟังกําย่อพอเปินยอยุม่มตึงวันเปิว่างงามยังไงปอกไปนอนรับก็บมีพอเปินว่าเฮาดีเปินว่าเฮาแข้มนี่เปิลยอใจเฮาฟูขึ้นพอเปินว่าหายคำเดียวไยอะนากวัดนางอ๋อมันนี่ก็มีตา ดูตัวแต่สิ่งที่คนดูคนตุวผมเหยีสัตหีบหูก็ฟังแต่สิ่งดีค น, คนฟังดังก่อดำต่สิ่งดีคน ด, ด ำ, ดนดำอันนี้ก็เป็นการหักษาศีลเหมือนกันห้องว่าอินทรียสังวรศีนบบมเหยียบสัตหีศึกษาหูยอกก่มเหยียบสัตหีบปอกไปหอไปเฮินก็อไปกำจแนงไปปฏิบัติใดอันนี้คือศีล พอศึกษาอะฮูอยาเอาไปปฏิบัติจอมเป็นการดีที่ตูวกระผมมี อ, อกศรัทธายังมีศีลแท่งตาที่โหมสังวรศีลก็มีศีลของพระภิคกุก็คือศีลสองาเจ็ศีลสองเจข้อของพระภิคุของปผมมี อ, อกศรัทธานอนวัดศีล8ดของปิกคุนี ปอมเหาตธาติมในหันพิกุนีเนี่ยเป็นตู้มิยิงสมัยก่อนปานพระเจ้ามีก็โบทอันต่างเปิดเนี่ยเป็นเม่นาของพระพุถธเจา้าชื่อว่าปราปรติโกตมีเป็นพวกพิกุนีอันตางเปิดปูง่ายๆก็เป็นตู้มิยิงมีศีลหนํารือเสตู้เจา้าของตู้เจ้ามี2องรอาวเจ็ของตู้ไมิยิงเนี่ยมีสาม มีสามรอยสิบแอดคอรสองร้อยสาวเจ็ดกับพวกโง่อะสามร้อยสิแสบแอดตี้กับหืมีอ่เข้าไข่บวชกับไรเนอะมาบวชตัวเศึกษาห่มเห็นธรรมะจอมกันก่อไหน่อันนี้เป็นเรื่องของศีลหนผมหยอกสัทธาการศึกษาเนี่ย เหลือเสเหลืองของศียพระเจ้าสอนแทงจิตตะสิกขาศึกษาเหลืองใจเหมือนก็นี่ใจมีก็ะตุห้ห้ากลอมเกยตัวใจสิปอใจเ้าเป็นหื้อโตห้าเนี่ยอันไหนดีเหมียวเขากับหามาใส่อันไหนอาหารดีกลอมกินหมุ่นนั้นไหนดีกลอมตานาหอมอันไหนละคามเปียงกลอมตา ไม่ออกเหมือนก็อันนี้มิใจไม่ออกข้านะว่าต่างเตียห่างไกลเป็นสี่หา่าวายังไดแสวน้ําหอมท่า น, นั้นดูแลใส่ใจเหลืองตัวอมหูงออกก็ไปย่อมคือดำน้าเหี่ยวก็ไปจันมาไว้ติคอกิ้วตามดั้ก็ไปซักคือมันกล่องหรือไปซักคือมันกล้องคือพ อ, อ, อเหมือน เมื่อเดินเรียมเมืม่อเดินผาจันเรียมก็มแต่ว่าเสื้อควรไหนมันดีก็ไปหาเดีอันงามมาหนุงแต่ถามว่าใจบ่มีอักษรธาเอาซังดูแลใจของตัวเขานี่โอ้ดีอ่ะตัวตังหนองอีแข้มแต่ตังใจเนะเหมือนหือว้จากได้ฝึกฝึกจิตฝึกใจของเอาธรรมะใส่ใจของใจนี่สำคัญ มีตุปีตันหนึ่งเห็นกรรมฐ า, านตีพระพุทธเจา้าแล้วก็ออกไปแทงหมู่บ้านหนึ่งไปภาวนามีป อ, อ ก, ก็หนึ่งซ้ำภาวนาได้หันทาสามารถหูใจเป็นไรหูในใจเป็นไรตุปีตันนี้ภาวนาได้ป อ, อกก็นี่ก็มานับเถือสองเข้าสองน้ำตึงวัน พอตุปีนังภาวานาอยู่ก็ไอ้เมื่อพุกขยะเนื้อไก่ตำเมื่อพุกเนื้อไก่ตำม ม, มมาปอกแค่ก๊ซ้อยมาตันกันเดยว่ทาทังวันเามือมนี่เลยกินเนื้อไก่ตำเมืม่อพุกใครกินเนื้อสะเมื่อพุกเนื้อสามาเต้ตอกใจโกกับนี่ปอกไปหาพระเจ้าอารมณ์ไหลอื้มไห ล, ไหลเขาคิดทั้งนี้ปอกหููซิงวัดรูนี่ปอกไปหาพระเจ้าขึ้น ไปบอกโอ้ขอไหวสาขาอาขำอยู่ในศาสนาโอ้ปฏิบัติายาบนาอันนั้นก็ลหลเฮ็ดอันนี้ก็ลหลเฮ็ดป อ, อ ก, ก็สมาหูใจที่คิดสังหูเชิงมดธรรมดาววาใจข้อนี้ใครคิดสังกคิดใครปองสังก่ปอปอมนี่คาโกนายออันไหนก็หลุดเฮ็ดได้สิ่งคัที่ซึกอ่ะพระเจ้าก็ตือนานหน็บหวาพอจากนั้นอันมัหลเฮ็ดตังมิวอ่ะมัลหลเฮ็ดสัง หักษาอย่างเดียวกับเจ้าจังที่หักษาได้ไอ้ปอยอย่างเดียวก็แต่มมีปัญหาหักษาได้อยู่ครับพระเจ้าก็หู้ตานจะเนี่ยหักษาจิตตัวเดียวนี่แกหักษาใจ ต, ตัวเดียวนี่แกปอมันอย่าไปคิดซังจำสินภาวนาอย่าไปคิดอันดีงามปอมันได้หู้อย่างอีกเกปลอกมือปฏิบัติเก่าภาวนา ปล อ, อ, อกนันก่อห้วดอ๋อปอกไปหาพระเจ้าแหลเลยครูดีสอนปอกมาคืนอันนี้เป็นการหักษาใจปลอมเหยียบสัทธากว่าหักษาใจของอย่าพี่ไหวง่ายเพราะว่าผมเลยหักษาใจมันได้ฝึกจิตตะมันเลยเฮตจิตตะสิกขาคือหู้ตัวหู้ใจเขาแอะกรรมแจงปฏิบัติจอมนั่นก็มันไหวาย นะปรมิเอลสัทธาไว้ง่ายเปิดจุ้เปิดโสก็ไว้อะเปิดมาว่ากำให้ก็ไว้เปิดมาว่ากมดีก็ไว้ไว้ง่ายถ้าได้ฟึกจิตฝึกใจมันเกี่ยนมีสติปัญญาปิจารณาจอมไว้ง่ายอันนี้เป็นประโยชน์กับตัวปหมียอลสัทธาในวานในโขงเฮา โดยจำพ่อเมืองเจิงตงุงเขาเขามีทีวีเขามีทีวีตัวเหมือนเมืองไทยเมืองเปิน่นขา่าวไฟไหมข่าวแหมกันตายเขาตัวทีวีตีเดียวหู้เหมือนกันสิ่งๆก็จะว่าเมืองเจิงตุงเขานี่ใจซอบต่อซอบปากต่อปากหูหวานหางหวานคอกระมันกอเปิงเนี่สสยซ้ำใส่ซอยดกัน ขคนเมืองเขาสเจึกใส่ซอยผมใส่ซอยทำดีไม่ฟังนะฮะจึกใส่ซอยทั้งมีศอกออกว่ามีขึอบออกศอกอันนี้ผมเหยียดสัท t าเขาที่ใดพิจารณาแข้มแขมในการสร้างนาหอต่อเฮือนที่ใดมันเกี่ยนเฮ็ดการนาเฮือนก้อยเยาะเฮ็ดการาศาสนาก็อยเยาะเขาเฮ็ดดีปากหนึ่งเนี่ยอันดีมีซีบหนึ่งเปิดไมาหี ผมเหมี่ยงซะท่าเขาเอาซินี่มาเป็นเฮียงใหญ่เลยอาลุมเฮ็นสังฮเป่นหีลุ้มผมเหวี่ยงซะท่าเขาเป็นหอเป็นเฮืได้การสร้างนาหอโตเฮือนเหี่ยงเฮ็ดอันนี้ก็เปิ่อนหีเฮ็ดอันนี้ก็อเปิ่นว่าอันเปื่อนว่าดีมีซิดหนึ่งอันเปิ่นว่าหีมีสองก็ปวะไปเอาอันเปิ่นว่าหีนั่นมาเป็นใหญ่เอาเปื่นเนยันมาเป็นใหญ่นาหอโตเฮือนก็มจังเป็นการศาสนาก็ผมจังขึ้นใหญ่ได้ ฉะนั้นที่ได้ฟื้ใจหื่อมันเกลียนคำนี้วิธีการฝึกใจในศาสนามีสองประการหนึ่งสมถะกรรมฐานเหมือนนางภาวนานางภาวนาแค่ถือใจนิม่มใจเต่งใจมันแค่หนึ่งวันหนึ่งอิฐ ก, ก็พอนะพอเมียกษัถานหนึ่งวันหนึ่งอิฐ ใจเขากอดที่นิ้มใจเขากอดที่เต่งใจเขากอดที่มันขึ้นมาลอยลอยประวะ่าใจนิ้มใจเต่งขึ้นมาอาก็ยกขึ้นสู่บีปัสสนาคือหู้หันเจียงในตัวในใจว่าผมเหนียกสัทธาคือเจียงในตัวในใจเออเป็นอันมันเต่งว่ะผมมันเติงผมเหนียกสัทธาเขาที่มีจิตใจวางไหลมันเป็นตุกโป่ห้าทายก็ดีมีเห้าท้ายก็ดี เขาก็วางอะไรอ๋อถึงเวลาต้องตายอ่ะนะอันวางอะไรนี่ไม่ใจง่ายๆเนอะปอเมียกศรัทธาซอฟว่าวางอะไรวางอะไรก่อนใจนะมันวางอะไรง่ายจะอยู่ใจใจมีตุ๊ปีก่อนหนึ่งหมอเดซนาทํานาออปลมสั่งสอนหมือนก็หมอหนามีไตก็อปอเสี่ยวเม่ปอเสี่ยวตายว่าก็เนี่ยปอเสี่ยวนั่นก็ให้เป็นตุ๊กเป็นยาบอ่ะ ตุปีนี่ก่เมือ่อโอ้ปเสียวมึงที่ห้ยซังกนเราเกิดมามันก็อตายวันนี้ก็เมื่อพุกปเสียวโอ้หูหันติดไ ม, ม, ม, ม, ม, ม่อ่ะกูซาลานาวุ่ตาจอมมึหึงนานมาเมตุปีตายตุปีห้ยก็เนี่ยตุปีห้เป็นตุกเป็นหยบาบปเสียวก็มาอีรู้สอสารตุปีตุปีที่หายซังเนี่ย เมื่อมีค่าตายจะไปสั่งไปสอนครเนี่ยใคายังตีราจะสังเหนมเตีอ่ะตีไล้อันนั้นเมียมึงรู้อันนี้เมเกเาเนี่ <c oughs> เออเมื่อเนี่ยมันว่างอะไรง่ายๆนะปอมเหี่ยวสัทธาฉะนั้นเนี่ ย, ก, ยก่กอยฝึกก่อยยืนก่อยกัน ก, กําอิดกำน้อยจังที่เป็นดีขึ้นมาปอ ม, มหําฝึกพื่อกำเลวก่จังเป็นบาเป็นย่องไปไหนปอาหวั่นไรฝึกมากกาเร็วพอ ม, มาจับใส่ปั้งเอากำเร็วนี่ ย่องไว้กําเดียวเสสติไปกําเดียวกวมีฉะนั้นโกนดีฝึกไหวมีภัยปอบเมียวสัทธาอันปอบทอปตังตุกหยาบขันใจนี่มีภัยเกิดมาทอปกันก่อนที่ใดผ่าหยานกันอะ่ะนะเมือนนี่เขามาทอปกันเหมือนผูกเหมือือปีนาพาใหม่เมื่อก่อนที่ใดผ่าหยานกันอะ่ะมีภัยติดที่อยู่จ้ำกันได้ตลอดอันนี้เรื่องของจิตตภาวนา คือฟึกจิตฝึกใจโดยสมัทกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานด้วยพ่องการศึกษาอันดับที่สามคือปัญญาศิกขาปัญญาศิกขาแบ่งเป็นสองายภายหนึ่งปัญญาตัางโลกอันนี้ก็ที่ได้มีไวสร้างนาหอต่อเพินการเตรียมการหมายการส่วนการซื้อการขาย ปัญญาต่างทำในกบที่ไรหู้อันไหนเป็นกองศรรีลอันไหนพิษศีลอันไหนพิษธธรมรอันไหนที่แท้ที่เกิดวิปติสาระห้อนเนื้อห้ อ, น, น, ธธอ น, น, นใจกับตูวเฮาอันนี้ก็ที่ไรหู้สองอย่างสองภาคการมีกต า, ต, า, กาก ต, ตั้งหู้ตั้งหลูกเอ้จะมาเป็นตอกเตอร์ตั้งหู้ต่างทำมีก็เอาความหู้ต่างหลูกไปใจติพิษติเปิืองไรพอหวั่นหู้อันไหนถูกอันไหนพิษที่เกิกอบกู่กันเมื่อแท้ที่เกิดปัญญาขึ้นมา คำนี้ปัญญาสัมที่เกิดขึ้นใดจือปัญญาเกิดขึ้นใดเหตุสองภาารหนึ่งจากการศึกษาหำเห็นเพราะว่าจากการศึกษาหำเห็นอันที่ให้ได้เกิดปัญญามีหัวใจสี่ข้อกัถาสี่ข้อสุจิปุลิสุฟังจิคิดจอมลิแต้ไมไว ปุถามลี่เตียมฟังคิดถามเตียมตุปีวามาฟังแล้วก็คิดจอมคิดจอมป้อมปองใจงเข้าใจถามพอถามให้เขาย้ำจืมจกาก่อเตียมหมายไว้อันนี้โหใจตุกสิ่งตุกอย่างตั้งแต่สมัยก่อนสืบมาเมื่อสมัยก่อนเองแค่กันสักขาลาย เมื่อเลี้ยวเองเค่กันหลีกไลยเมื่อก่อนสักขาไลายสักกาถาเหมือนก็เตรียมใส่ติขาติมือมะอาอุเพราะว่าผมหยอกสัทธาคขาหูติป่องมันกัดนะั่นมะอาอุเป็นหัวใจพิติกะมะก็มัจจิมานิไกออาพิธรร ม, มานะมะอาอะมะอาอุ อ๋อใจมาอาวุสุวิอะสุวิอะมาอุนี่เป็นโอมนะสุวิอะสุสุตันตาวิวินัยอาอาพิธรรมาเหมือนก็ซักไว้การซักยันต์ก็ดีกาถากัดก็ดีเปล น, นปั่ขคอห้ามมันมาจอมเหมือนว่าสักยันต์อันนี้ที่ได้ห้ามจะนี้ห้ามดันไตาจาน ทำดันไตขึ้นไดเป็นตนเปิ่นสอนจ้อมจังที่กัดเหมือนปอเหมือนแม่สอนกะถามันนีที่สอนปองเมียเส้ากะถาสาวหุบเบาหุมปานเทาเดิมหลู่เบาหุมากาเปิ่นสอนเหมือ น, นั่นเปิ่นมีเพราะว่าคำพูดตีปองมันคำพูดความหมายมันมันก่มกัดไหลยเมศเท่าอุ้สอนเหมือนยังหน่อย กาาสาวหุ่โอมผ่ามือจาเตนาใหญ่ใต่เงินยาวสาวหุมติดผ่เทกนะผ่ามือจา่าเตนาใหญ่ไต่เงินยาวสาวหุมติดผ่ามือจ่าเป็นั่งวันหน่อเาผ่ามือจาเป็นั ง, ง, นนงนใกล้เหตุการณ์ยุค จอบยุบเสียมขุดดินปันดินมือนีจาเราเป็นมือตุ้ปีไอ้หนานเขาซึกใหม่ๆมือนละลอดอย่าพี่เอาผ่ามือจาใกล้เหตุการ์ตีนาใหญ่โหัไหโหหน้ามูลขักุณ้วหนับไตเงินยาวมีเงินหนําเหมือนัันเป็นใส่ไตเป็นทองยาวๆมัดกับเอวไอะห้องวัดไต ผ่ามือจา่าตีนาใหญ่ไตเงินยาวเสาหุมติสพ่อเท็กติสคือมันหูไปเปินสอนจอมเขาจากไรปัญญาจอมเตียนเปินสอนมานะผมเหนียวสัตวเท่าไปสอนลูกสอนหลานก็ไรมันหลบไปหาสักยันสมัยนี้นะเปิมนซักเยอะอะยันแบบเปินซานเปิดไปักสั้งกว่ามั่วเป็นหนากของเป็นเื้อของไ ล, ล่โคโลไป เป็นดาวผ่องเมาเลี้ยวซักจะนี่ก็แต่ว่ากาธานั้นเพราะว่าหู้กรรมหมายหู้ตีป่องมันก็กัดผมหูมกัดไหลยอ์ผ่ามือจาตีในใหญ่แต่งินยาวสาวหูมติดแต่นวนขี้ข้านตึงวันเนี่ยสาวตีไหนที่มาติดมันก็มีไรผมเสียสละก็เอาไปใจไรนะสอนลูกสอนหลานไร เอออันนี้เขาได้ปัญญาจอมศึกษาเอาตังหนกคนเทาคนเก็บเปิดสอนอันเปิดวาสือๆก็มีอันเปิด เ, เตรียมไว้แหละอธิบายจอมก็มีเหมือนก็กอสักกาถาว่าอุอาคสะอุอาคสะอันนี้กาถานี้ให้ดูกล้าขายดีอุไว้ว่าอุถานาะสัมปตาใกล้หาอ่า อารักขาสัมปตาหักษาไว้ดีกกัลยาณมิตามีมิตรสหายติดีสะสมาชีวิตาใจจิตวิตีคือถูกต้องตามตําน้องกองทำ ร, ระเบียบกฎหมายบานเมืองใกล้หาหักษาไว้ดีมีมิตรสหายติดีเป็นอยู่ในหอในเฮือนอันจอบตามกองธรรมวินยัย ระเบียบก้อนหมายบ้ า, บานเมืองไกลเป็นสถีแน่นอนใกล้หามาแต่ว่ามมหมอฮักษากาิน่วยจ่าย่วยไลยซิบจ่ายซิบไลเศ้าจ่ายเศร้ากล่อมจังเป็นคนมีได้หมอหาหมอฮักษาดีก็แต่ว่าจัางมีไตก่อใตเสียวปอก่อเมี่ยวอันเหตเดือดเนื้อหวันใจใกล้มายืมเงินใกล้มาเอามาือมันกล่อมจังเป็นดีได้ เขามีคำถามกันมันนีสั่งกหรือเปนเขาว่านะมันที่มายืมเงินนี่โกหรือเปลนะ่ะเขาสังถามทว่ามันนีสังโกหรือมันที่มายืมเงินมันยืมแล้วมันส่องอันนี้ีหรือเปล่านะ่ะ เทาไราปัญญาจอมอันนี้ปัญญาต่างหนกศึกษาที่ไหนก่อหันพปมหมอตัวนี้ปัญญานี่มีทุกตีปัญญานี่มีทุกตีส่วนปัญญาตั้ง ร, รมก็คือการใจโยนิโสมนาสิการะพิจารณาขอทำหูหูการศึกษาต่งางพุทธศาสนาจึงแพก่เปื้กับการศึกษาตั้งหนกการศึกษาตั้งหนกนั่นหอหูวิจาปัญญาไวหวลิงตูลิงใจ การเตรียมการหมายการสอนการกล้าการขายการเฮ็ดการสั่งอันนี้เป็นการศึกษาไปนอกแต่การศึกษาไปในเป็นการศึกษาติเฮ็ดคือจิตใจเบาบางประหูจะเนียกิเลสาก่อนเบาบางมาวัดก่อมาศึกษาชนีดอย่าไปมาขอยกันนะสัทธาเมืองเฮามีนำกว่าเมนียกสัทธาพอมาวัดเฮ็ดห่าง อยู่เพื่อนในแ่ถงใหงป้ปอกปพอมาวัดแค่ถังทุกหมุนนาบเอาเข้าตาซอบสีเลี้ยงจองห้องแล้วใส่จอบมือใส่แหวนมือน้ำน้ำกันเร็วอ่ะนิ้วจีกว้ก็ใสา่นิ้วกวางก็ใสา่นิ้วนางก็ใสา่นิ้วกว้อยก็ใส่เหมือนก็ใสาป่ปานนิ้วปูงกันเร็วะใส่จอบมือสายข้อมาประ ม, มานอนวัดมาอูก่กัน อันนี้หลานเมืองไทยซื่อหืออันนี้หลานเมืองเขตซื่อฮืออันนี้โูซื่อฮืออันนี้ว่าวซื่อฮื้อพะมาอู ก, กันจะนี่เหมือนว่าเขาที่มาละมาวางติดทีมานะโลผ้าเขาลองในวัดนะปมเหมี่ยวศรัทธาเหมือนก็สา ม, มีเต็มใจศรัทธาที่เขาเนี่ยศรธได้เข า, า, าดีให้กับแม่ถังเหี่ยวเก่งคํายําตาซอบสีแดงในมันเนี่ย ยกขึ้นสูงๆปอนังตั้งนาโก้เปินหันจอบมือสาธู่ยกขึ้นปอนหวัวอย่างนี้ตั้งหลังเปินหันใส่สายกอเซนหลงๆเอาใส่ในเสือกเมียสาออกมาตั้งหนอกนี่กว่าแต่ว่าไปตีไหนกอดใส่ละอยู่คือมันสมโกนกับกาละและสถานตีตีวัดก็พอใส่มาจะนี่ก่อมันเป็นการมาละมาวางอะผมเหนยวสทานนะแต่ว่า เป็นการมาสร้างคือมันนักคือมันหนาเกินแทงแล้วก็อย่าพิฮี่กันพอเมียกสัทธาก็นอนวัดนอนวาอย่าพิฮี่กันก้อนนั้นไหลกรรมาฐานก้อนนี้ไหลไปว่าชุ่มไหลชุ่มไหลอย่าพีบ่าว่ม่จริงนี่เหรือเป่าน่ะเต็มจะมีจริงที่เฮานี่ก้อนนั้นไหลกรรมาฐานก้อนนี้ไหลกรรมาฐานอย่าพิบ่าวิกันนะปอเมียกสัทธาคือ ไล่สอนกันว่าเหนกันอย่าปีหี่อย่าปีเน่อย่าปีสอนสอกันพอเขามาปฏิบัติกับมาฐานเขาก็จังได้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้เป็นการศึกษาเปือละคือเบาคือบางกิเลสโลภะในใจเขาตามปกติคนธรรมดาเขามีโลภะอยู่แล้วผมเนียศรัทธามีพยายินตอนหนึ่งใครหู้ว่าคนในโลกโคงกลางนี่ ไพอันโลพามีนี่หรือว่ามีก่มีเกเรหรือเปินอันมิโลพานี่ก็ได้ลองมาจากสวรรค์มันจะมีนิววน้วจี้วิเศษนิ้วจี้เนี่ยจี้สั่งว่กลายเป็นคำสิ่งๆอ่ะลองมาถึงในเมืองคันมาหาันคันเตียวตังมาเอามือจี้ไปตีหมากหินคางตังนั่น เป็นคำเอายื่นปันเจ้าจังที่เอาเอาไ ว, เว้เวทเลี่ยนบอกไปอุโมงหมอยหินหัวใหญ่มาแทางเจ้าจี้อันนี้เป็นคำเมนูจี้อันนี้เป็นคำเมนูเพรินก่อจ้างใจสาออกสืบตั้งไปแทงมาถึงคอนเทลก็หนึ่งคอนนอนวัดนะคอนนอนวัดก็มาจี้เป็นคำเนี่ย อย่างที่เอ้าเอามาเอามาเดี๋เลี่ยนไปอุ้มเอาสาเอาปีตเอาซองมาเ จ, จ้าจอยจยีมันเป็นคำนั่นกัร โ, โลผ้าใหญ่ท่านั้นกันนี้เข้าป่าไปหากลนไหนกลนไหนก็เอาสิงซิงอ่ะนะควันโลผ้าหนิมมีไรกันนี่กองป้ากันนี่สำเหรี่ยนไปอ่อนใหญ่มาคือจี้เป็นคําแถงจ้างใจจางคอแหลเข้าป่าเมื่อ ไปหันใส่พระราศีตอนหนึ่งหนั่งภาวนาอยู่พอไปหันใส่ก้อมันก้อมือจี้บาดจนกลายเป็นคำก็นเลยอะนะพระราสีขาเจ้าจังตีเอาว่าบาทคำนี่อ่าเฮานิ่มเอาอ่ะบาดเนี่ยเป็นไม่ก้อเหาเป็นคำเหรอไปกุมบาทกับอะไรเข้าเหมือนกันอนะ่ะเอาจี้ไปจอมปลกอันอยู่ตั้งคางกลายเป็นคำเจ้าจังตีเอาว่า ผมเอาผจ่าเอาไม้ซังจี้ไปลอยลง้งเป็นคําโปหื้อสายวิวิดอะจังที่เอาค่ะอ้ามเอาอะมีจอบมีเสียมสินานไปคุดมีขอบายไปคุดเอาอะไรคะกันที่พยาอินก็ถามเป็นคำถามสุดท้ายนั่นน่ะนะตอนนั้นนี่เจ้าที่เอาซังอีบะขาดิเฮตปันเจา้าเซ่งเซ่งอ่ะบะภรลาีหนังภาวนาอยู่ ก่อยๆมือนิตาขึ้นมาตัวไปตีนิ้วจี้ผียินทราสีตอนนี้ว่าคำอันบาดกาล่อมขลจอมปกวกลมขลายโดยเป็นคํากล่อมไรข่าขลารนิ้วจี้เจ้าแกอันไหนล้อผ้าเลยกันพอแลนิ้วจี้ทั้งเอาไปจี้ก็เร็วขลายนิ้วจี้อันเป็นคําตัางล้อผ้าดิมีเหมือ น, นกันกูกร น, นะผมเหมนียวสัทธา พรปวา่าการศึกษาต่างพุทธศาสนานี่ศึกษาคือมันยอมคือมันเบาคือมันบางหลงเนี่ยเป็นการศึกษาต่างวรพุทธศาสนาที่นี้การศึกษาสามอย่างปมเอียกสัทธาอย่าพิพมาทอย่าพิลาสาอย่าพิตืบเบาถ้าปมเอียกสัทธาพมาถในกองศาสนา การแฮดปรอมี่ยกซัทธาการสร้างปลมี่ยวกซัทธากอดที่ปัดเปิ่งไปไลแเฮดรีเดิลเน้อห่อนใจถ้าว่าปลมเหี่ยัทธาเขาล่าหีดล่ากองหีดกองกอดที่เสาหีดกองกอดที่หมองหีดเมื่อก่อนก็ดีหีดสมัยใหม่ก็ดีหีดสิบสองกองสิบสี่ประเวณีสิบห้าอันนี้ กับบ้านกับเมืองเขาก็มีไว้อย่าพิลาอย่าพิเป็สมัยก่อนฝนมีหมูยังน้อยก็มีอเดียวที่มีมีก็มหัวเพราะว่าไปแอวปดฝนยังว่ากํามโบราณใส่กันนะปอมเมียวพอเขาที่ปลอกวันว่าสารชาอย่าพี่ใส่เตาปอมเมียวเข้าจังหู้สารชาอย่าใส่เตาเมียวเขาตั้งหลังจังหู้ สารซ่ายาใส่เต่าปองว่าซังอ๋อไอหนอสารซ่ายาใส่เต่าปองว่าอย่าพี่เหลากันกันเนื้อประว่าไปแอวสาวสาวว่าประว่าที่ปอกสารซ่าอย่าใส่เต่าอย่าพี่ลักเหลากันะอันนี้เป็นวัฒนธรรมเมื่อก่อนเขาเขาได้ล่าอะไรแปลกในสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยเมีย พอมยียกซัท่าก็ยำพูวัฒนธรรมทั้งอย่างหนึ่งเมื่อก่อนนั้นก็ว่าไปเอาสาวเป็นไปจ้อยไปเสรินใส่พระว่าิสาวเจกึกสาวก็ออกเปิดประตูไวมาอู ม, มาจ๋าก็แต่ว่าเตื่อตูกันไรนะเตื่อตูกันไหลนะสมัยก่อนห้องว่าคืบพเตื่อตัวกันนี่คืบ ที่ไรไหมที่ไรสายมาหนังอูกันไรเบาไปเอวสาวเปินจอยเมียกสัว์ท่าก็จังใครฟังเกิดจอยเปรนนักศึกษาฟังอยู่ฝนตกซอยซอยนำย่อ ย, อ ย, ย, อยตองเตยลูกต้อนางเฮยปีมาเอวแล่นอยู่ตั้งหนอกจอยพอสาวเจอผุยประตูมาอูอันนี้เป็นวัฒนธรรมสมัยเก่า ปานอุ่มเลยท้อเลยยาแต่กันว่าสาวจึ๊บสาวกอดจ้อยออกมาฝนตกซอยๆน้ำย่อยตองจริงหน้าปีเหมือนลิงอย่ามาแอวคาอันนี้เป็นพัฒนารมสมัยเก่าเมื่อเลือกเขาไล่ล่าไล่เปียดไปหรือเส้ไล่ล่าไล่เปียแยาเขาย้ําไล่สืบซ้อไล่หมไล่เห็นก็มี ล่าหีดก็หีดหมองลากองก็กองเสาลาวัฒนธรรมอันดีงามศึกษามหมำเพนก็สัมติจังแผ่นที่ใดอันนี้แผ่นหีตกองเฮาที่ผมอยากสะทามกุลละดังเมืองเจิงตุงเฮาเขามีภาษาวัฒนธรรมหีดกองเฮากับตัวเฮาอันเป็นลักษณะเป็นของเฮา เลยสืบแค่สืบซางมาตั้งแต่ปูมอนปานก่อนสืบมาถึงปัจจุบันเขาห้องว่าควันขืนคนนี่ปลมหยอกซัทธาหลายปูหลายควนติมป่องใจซั่งเลยห้องว่าขืนขืนนี่ห้องควันเจอใดเจอหนึ่งขืนห้องกับเมืองเขามีเมย์นำสายหนึ่งไหลขึ้นไปตังหวันเหนือเขาห้องเมยนนำนั่นว่าแมยนนำขืน คนตีอยู่ในเมืองจริงตุงสิงห์ตั้งแต่สมัยก่อนมามีไห้มีนามีตีอยู่ตันเซามีหอมีเหินอยู่ในบ้านเมืองจริงตุงปากสิงลืก่ก็เหยาะปากสิงหเล่มก็เหยาปากสิงเมืองเนื้อก็เหยาะปากสิงใต้ก็เหยาะอ่ะอาศัยอยู่แป้นอยู่เกิดตีนี้กินตีนี้ใหญ่ตีนี้เขาห้องว่าคอนขืนห้องกับเมืองเสียงปากเหมือนอูอ้นี่ห้องว่า เสียงพื้นเมืองก่อใจเสียงขืนก่อใจห้องว่าคอนขืนเสียงเหมือนเมืองไทยมูสเซอร์ก็มียางก็มีอีสานก็มีผักไต่ก็มีคนไทยหน่อยก็มีไทยโยนก็มีแต่ป้องกันเสียงเสียงเขาห้องว่าเขาเป็นคนไทยเพราะว่าห้องกำเมืองไทยไม่เลยแจกแพเมื่อเลี้ยวปลอมแยววซัท่าเขาอย่าพี่แจกนะไอ้ไม่ใจขืน ตีเตตัวเป็นคืนว่าไอ้มใจขืนจนืออาศัยวานอาศัยเมืองมีตีดินอาศัยหนองตุงอาศัยบุญปาแลมีเจา้าพระอยู่กินอยู่สร้างมากับวันกับเมืองห่อเมืองขืนเขาไปสิบสองปัญหาก็แยาไม่ออกพอเขาไปหาปนี่ลูกตีไหนมาลูกจริงตุงมาปเปิ้นว่าปเปิ้ลว่าลูกเมืองคืนมาสุนีนเป็นค้อนขืนฉะนั้นผมแอกซะท่าเขาอยู่ในวานในเมืองถือว่าเป็นค่อนขืนสิ่งสิ่ง เขาห้องกับเมืองหอมไรห้อ ง, งกับคอนเจอใดเจอหนึ่งมีเมย์นำขืนเป็นเป็นใหญ่ห้องเมย์นำขืนอันนี้เรื่องความเข้าใจในส่วนของการศึกษาในาวันบนุญนี่ติมาติเตศนาถ้าว่าปมเหยาะศรัท ธ, ธาเขามีการศึกษาหอมไรหูหอมไรเฮนเขาก็ปฏิบัติพิษปฏิบัตบิเปิงไปไร เขาหูมาจากซอบจากปากเปิร์นเหลา่าเปิรนลืมไม้ก่อนแค่จ้องเปิรนกร่อนอะไมีเมียก็หนึ่งเขาวัดกรรมศีลภาวนาเป็นเวลาหลายสิบปีเปิรนไปนอนวัดก่อนอนฟังธรรมก่อฟังเปิรนตอกหม่างน้าก่อตอกกรรมนี้มีคนนอนวัดใหม่เป็นหลวนยิ่งสาวมาถามอิปะ อาเปินต๊กหมักนับน e. <ári> <vintage> ี <later> <bene> ่เ <acoust> ป <ics> ินว่ากํามสังมนอนวัดมาสิปีสาปีนี่เปินว่าสั่งมันกมหุมันก็ว่าไปจากน้มวก็นี่นะอีนางอีวเปินตกหมักนั่มเนี่ยเปิลว่าสั่งอีปาก้มวก็แต่ว่าของอีปานี่ปต๊อกหวยนี่อีปาออมลอมปอกอมลมปอกเวเขาก็มีออมล้มปกนี่ ก่อนไหนเป็นอมลอมปอกปอที่เราศึกษาคือผู้ผู้ปองใจสุจิปุรีสุฟังจิขิดจอมลีปุถามอันนี้นนถามผมถามก่อแฮดพิษถามก่อแฮตปึงเหมือนข้าวต้มหมัน่นนาบข้าว่าคุณของพระพุทธเจา้าก็ได้คุณของพระธรรมก่อได้คุณของพระสังฆากรอะไรอารหังอารหังไปก่อนอะไรสัมมาสัมพุทธโธไปก่อนอะไร แต่อย่าไปเอาอมลอมปอกนะอมลอมปอกนี่มันต้าเนึ่งแต่เมืนี่ก็าจางมีฉะนั้นเนี่ยปรมิบเสท่าการศึกษาจึงเป็นหัวใจสําคัญตุกสิ่งตุกอย่างปรมิบเสท่าเขาที่เป็นคนดีคนงามอะไรก็ด้วยปรมิบเสท่าเขาได้ศึกษาเฮนฮู้มาศึกษาเฮนฮู้ตังหลว ก, กว่าการกล้าการขายปรมิบเสถ่าเขาหมอมา แล้วก็มีความหูต่างธรรมในอุปธรรมกัมจูการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นกุศลานาบุญมีพราเจ้าเมืองตอนหนึ่งในอุปธรรมกัมจูศาสนาเนี่ยสร้างวัดวาอารามเจติยาผาตัมากโกงลงหลายไนเจ้าอะแล้วก็ไปไว้สาพุทธเจ้าไปสาภพะสังฆาคาลยตานธนีเถลเนี่ย วัดก่อใดตานวิหารใดตานถาดเจดีทําใดตานข่าจังได้จือว่าเป็นตายะเป็นตายาเป็นปี่เป็นน่องกับศาสนาเต๋อปะพระเจ้าว่านี้ย้ําใจตือ้อว่าการติดได้เลยเป็นยาที่กาปี่น่องสืบเจอขัดปุ๋นกับศาสนาได้นั้นก็คือว่าการเอาลูกเตาหลานตอนของเขาหนนบูชางในศาสนากันว่าเขาไมีลูก กอุปัฏฐำมคำจูหลูกเปิ่อนไลรบวชสร้างศาสนายอลูกเปื่อนบวชยอลูกเปื่อนบวชได้อุปัฏฐำมคำจูการศึกษาหําเห็นการศึกษาหําเห็นนี่แหละที่แท้คือควันเขาคืนใหญ่จเจริญไหญเหมือนเหมือแล้ยวปว่ามีตอนหู้ตอนลักมาอยู่ในวันในเมืองในหอในเฮือนเขาเขาก็มีความจํำจึนยินดี แต่กาโจรที่มีตอนหู้ตอนรักขึ้นมาไม่ใจเหลื่องไงเหมือนปอมิอักษัท่าเขาหันตอนใหม่ก็หันมือมันป่องไี่แหละมีเผยนหนาเขาเลยไปย่างหอมมันเลยก็แต่ว่ามือมันที่ใหญ่มา น, นั่นเปินเฮ็ดถือปลูกเปินเฮ็ดถือวาดหน้ําเปินเฮ็ดถือใส่ฝุ่นปอมิอัทษะก็อาติมหันถึงเพราะใครคือดีใจเยิมใจอุปถากลุมลาการศึกษา ตั้งเต๋นหน่อยไปเหมือนพระปีคู่สามเณรน่อยมาเห็นดีอนุโมตานาในเจตนาอันดีอันงามของผมเมียกศรัทธาปอบานเ ม, มืองโดยจำพ่อปีนี่เนี่ยปอกติปอ่อนเมียกนั่งโยงเป็นเก้าได้หันถึงความสำคัญในการศึกษาเห็นได้มาเป็นเก้าอุปัฏรำมกัมจูสามเณรหน่อยมาเราทำสอบทมดีใจ มุมหันก็ยังมีความจมจื่นยินดีว่าโอ้คอนติหันถึงความสําคัญในการศึกษานี่ยังมีอยู่เหมือนก็หันถึงเพราะว่าการศึกษานั้นเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างนาหอต่อเฮือนสร้างศาสนาหรือการกลุ่นเรืองไปตางนาเพรเมยียกษริท่าก็ผาถนาใข่คือลูกคือเตาคือหลานได้มีความหูนํารักไปสร้างนาหอต่อเฮือนนาตีผู้เป็นโป่เป็นแม่ นั่นก็มีอยู่คือหนึ่งสั่งสอนในตางดีสองคือเวนเวตังให้แล้วก็สามคือเข้าเลยห่มไดเห็นในศึกษาสี่หมอบอับมูลาขากุนปันหาหาหลูกหาเม่ปันอันนี้เป็นนาตีเป็นป่อเป็นเม่กวนดีปฏิบัติต่อหลูกเตาหลานตอน สอนือเข้าหู้ในตังตีดีสอนือเข้าเว่นเวนในตังตีหายแล้วก็คือเข้าหำเห็นศึกษาอันนี้เป็นนาตีทำพระเจ้าเตสนาวัยแล้วก็มอบอาบมุลล่ขกุลปันในเวลานสองกนเมื่อเข้าใหญ่มา้ามีนาหอต่อเฮินมาเป็นดีเป็นงามละผู้เป็นป่อเป็นเมออวางใจเลยเอ่ะอันนี้เป็นแสงขายโคอันนี้เป็นแสงกระพักอาลูกไปตัวเนอ ได้ไปตัวหนนั่งไปตัวหนึ่งพอเมีอับปันนะแต่ต้องตัวเวลาสมกุลนะเพราะว่าลูกเต้าหลันตันยังขี้เราเมายามเป้ตัวเปห่างอับปันก็อจางกินหายจ่ายเสียงไลยพอกินหายจ่ายเสียงมาเขาก็อตุกขาดผู้เป็นโป้เป็นเมียก็อตุกขาดแล้วก็หากู่หากู่โผล่กู่เมีปันเวลาสมกุลเมื่อก่อนนี่ ปัญหาปันหนากรับสืบเพือนไตเฮิอนเหนือเป็นโพ เ, เป็นเมกับสืบเต็มมือเลียวกับสืบเมืไหล่เพราะว่าเอาใจเข้าว่าละหล่อนเขาหักกันก็แต่ว่าผููเป็นแม่ผันปอเป็นแ ม, เนเมกเกาะซัมตี่ได้ดูได้ตัวอยู่ว่าเลิกจืดหือ้อเต็ที่ได้หลึกคนดีหลืึกม่ยิ่งที่ได้ตัวจืดหื้อหลึกปวดใจที่ได้ตัวจืด้อพอหลึกปวดใจก็ผ่ามือจาเต็นน่ใหญ่ไตเงินยาว ขึ้นหลายปอกหัวเขา่ามัพอดนะีเลยเมียกเนยเป็นกรรมเป็นเวียนจยัดแล้วพอดึกไม่ยิ่งทำที่ได้เลิกจะฮือแบบมีสัตเทกอนหนึ่งขล ai ลูกป้ายแบนเจ้าของสวนหมักจุกขล ai ลูกป้าย เอามักจุกใส่ลอยโทมจอมหอมวานไพ่ขาลายหมักจุกเนี่ยใหม่ใ ม, ใม่วิ่มาจากศูนกาเดียวอะ่ะคือเอาขาง่วงมาแหลกเอาเหมือนก้อนอะไรมาเป็นกําปออะไรมาเป็นกําเนี่ยคือเป็นซ่า ก, กเ็เนืยวขาง่วงนี่มีนางก้หนึ่งอะไรมาอินไงเฮือนอุ้มมีลุงนี่แบกลปเฮือนโป้เฮือเนเมีย ส, ส า, สาเฮือนเนี่ยอะไรมากันเนี่ยปันอุ้ยสองสามหวยหน่อย สุดท้ายเอาปันถึงเข่งกันเดีวยวเลิกเอาก็นี่เป็นหลูกปเหินมีขางองนั่นหมายความว่าข้อนี่ไก่ปัดหอปัดเทิรนลุมลาอันจะอะไรมาเป็นกัมนี่ปัดให้เปกฮานะมีออกเสียเท่าขลายลูกปก้ายก็แค่จะนี่พองก็ไรลายขางองมาเป็นกรรมัมในขีีเยอมาเป็นกัมเนี่ยมันไรง่ายๆเนอ แต่อันนี้ไรมาหนึ่งอิทหนึ่งออนิเป็นคนไก่ปัดหอปัดเฮินขาง่องที่จมหอจมเฮิอนก่อมหมอปัดหมอขข่เลิกดูเลิกตัวหือดีในการสร้างนาหอต่อเฮินปมเมที่ไยบอกปันในส่วนผู้ติดเป็นลูกปมเมทได้สอนตั้งดีคือแวนเวตั้งให้คือศึกษาอ่ำเหีน ตั้งแต่น้อยตั้งแต่ตูงแงีต้านไปถึงจนตักกระโ้นไปเนี่ยถึงพอส่องไปเห็นหนอกบ้านนอกเมืองเนี่ยสิงเงินสิงคําลูกแต่เจ้าในสองกัมสามกัาก่อลูกโก่ลูกไม่เลเห็นก่ลูกเลยต่ําก้อยหน่วยใจได้ส่องให้ลูกเลยหํามเลยเห็นเลยศึกษาเอาเข้าบวชอยู่ในศาสนาผู้เป็นลูกกัรรมณีสันที่ได้ปฏิบัติหรือต่อโบเม จ่อยเหลือการงานของป่อเมยอย่าพี่ขีถีตีขีถีมือป่อเมยมีการมีงานช่างเลียนจ่อยสักเสือ้อสักผ้าสักสิ่ทุกสิ่งทุกอย่างสมโกนดีแฮตจ่อยเหลือการงานของป่อเมยฟังคำสั่งสอนตานปฏิบัติดีหักษามูลาขกุลไว้อย่าพี่หายได้หักษามูลาขกุนเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเป็นป่อเป็นเมยมเอาเปิลแฮตเปิร้างจือ้อ พอเป็นสัตเทหลวงเป็นกล้าเป็นขายจะเฮืออันนี้ก็ตววัวไหวแห่ไหวจอมปอจอมเมย์การว่าปอมเอตายมือนี่ยก็อุติศานาบุญไปหาอันนี้จึงเป็นหีดเป็นกล้องเป็นประเวณีติดมาในเมืองเจียงตุงเฮาติดมาจะเือเพราะว่าควันเฮาเจอกินเจอตานห้องว่าตานจอมผี ตานจมผีเนี่ยปย่อเมียศรัทธาผีเลยหักเต็มเลยหักเต๋มปม่อเมียศรทากว่าติมหูเมื่ออยู่เมื่อแป้นอยู่เนี่ยดีหรือเปิ่าป่อเฮวยังตอนอยู่เม่เฮายังตอนอยู่ใข่กินแพ็ดกินซอมกินจำเอาไปปั่นก๋มเร็วเลีงดูเหมือนก้อมแม่พอป่อเมีตายเมื่อจังตีเอาอันดีอันหวานเนะี่ยไปปัน่นใส่เผินดีๆไปต่อยคางก่อกกอกอกรอ ก, อ, ก อ, อีแม่กินเขา มีพ่อ ก, กินเขา่าเขาไลยกินไะไกินมู๊วัตตาสองสารมีสามสิบเอดโคง้งในสามสิบเอดโค้งนี่แหละอันไปเกิดในโค้งไหนก็มีไปเกิดเป็นติวดาก็มีอาหารของติวดาก็มีฮะตําซชอมไก่ปิ้งก็มีไปเกิดเป็นสตาริชานเจอเป็นไก่ก็กิกนเข้าไปเป็นวัวเป็นก้าย ก, ก็กินยาไป เขาอุติศานาบุญไปหาเขาหนิเขาไม่เลยหับอันที่เลยรับนั้นเป็นเพศแบบปลอมเมี อ, อัตธาอันนี้มีตีอ่างจืดเนี่ยเขาเตจทำกูอบอกอะทำผูกหนึ่งจืบว่าอานี่สองน้ำนองเบาก็อานี่สองสองเขาเป็นอันเดียวกันสัตเทก็หนึ่งมีหลูกใจเป็นตีหักมักจำเรื่องใจห่ะหลูกใจมันตายไป มันนับถือกองศาสนาเอาหลูกใจมันตายไปมันก็ส่องซากการอย่างเดียไปฮัต ส, สาลาไวตีป่าหิวแต่งควันใจคนหนึ่งคือเอาอาหารอย่างดีเอาหมูเอาไก่เกล้อยเนื้อซาปายำเกล้วยไปส่องวันตุกวันตุกวันวันสามตาถึงปวะไรปีหนึ่งวันนั่นนำสำนอง ที่คามนําไปส่องเข้าตีป่าเหวุ่มไหลแลหันพิคคู่เจ้าตนหนึ่งติวมาควันใจนั้นก็เผื่อตาที่เปียกเกาะปันคนย้อนเลยละเพอะปันคนย้อนเออมืออะไรกินกาะเหมือนี่ก็ะปันคนย้อนอุติศานาบุญถึงมันเขาอะไรกินอะย่ําเหรออธิษฐานจะนี่พอต้อกังขึ้นนั่นมาลูกใจไปเข่าฝันป่อบอกว่าป่อเออเมื่อยังเป็นคนอยู่ใน โลกมนุษย์นี่ปอนี่หักอุนะวะไขกินสังกอดได้กินใขรเยี่ยมสังกอดได้เยี่ยมไขรหนุงย่องโคบจะเื้ยเนี่ยปอซื้อปันสิ่งๆอ่ะก็แต่ว่าอุตตายเมื่ออย้าหนีไรเป็นปีเนี่ยปอก็ปันอุ ก, กินขาวตาเดียวกอยปอมมันก็ต้อใจตื่นคงนี้พอต้อใจตื่นลูกเจ้ามาห้องควัใจมาถาม ไปส่องเข่าปั่นหลุดใจตุกวันตุกวันตุกวันนี่มันไปส่องห้ามันก็ไปส่อง่ะไปส่องตุกวันน่ะก้อยเตว่ามือวานิมไหเมือนั่มนอนขาขามือกลมไหลไหลหันพิกคู่เตียวมาตอนหนึ่งไหลแล้วเอาเขานั่นใส่บาตดปั่นพี่คู่เดี๋ยวอุติซาบุนไปหากัรนี้มันก็ตอกใจหู้ไหลไปถามพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าก็จึงประกาศรับรองว่าการติปการตานอันตีไปหอดไปถึงนั่นก็ติดาตานเกศตันมีศีลมีบุญคือพรกนาสังฆาเจ้ามีกุณคอหนึ่งจอว่าตักขินาในธรรมสังฆกุลสุ ป, ปฏิปันโนภกควโตสาวกสังโฆไปถึงอาหุนยโยตักขีนายโย มีกุลจืว่าตักขีณาญาปุ ก, กะลานี่แหลวะว่าจังเฮ็ดกุสลาณาบุญติผมเหวี่ยงสัทธาเขาติบเขาตานไปถึงยังภูติหลกงรับดับขันไปไหลอันนี้เป็นนาบนุญกุลตานเขาลายเฮ็ดลายสร้างในเกิดมาผมเหวี่ยงสัทธาอย่าพิ๊พมาตะหลงลืมในกุลงามความดีการศึกษาตั้งโลกก็อย่าพิพัมาตะหลงลืม การศึกษาตั้งทำก่อนที่ได้มีศีลศึกษาหือดีแล้วก็ปฏิบัติหือจอบจิตตะฝึกจิตฝึกใจเยี่ยมจิตเยี่ยมใจพ่องอย่าพีไปเยี่ยมตังอย่างตั้งหนอกกวอนตีเยี่ยมตั้งหนอกงามถือก่อนอากพอใจงามก็ไม่มีขอนเข่าหามีขอนเข่าไกลเยี่ยมตั้งหนอกเยี่ยมตังในเป็นขนงามประเสรฐนะแล้วก็ภาวนาปัญญา คือในมีปัญญาต่างหนกหรือมีปัญญาต่างในปัญญาต่างหนกการเฮ็ดการสร้างที่ไรหูปัญญาไปาในพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดทุกเวตนาขึ้นมาเขาที่ไรเฮ็ดจือ้อย่าพีบายยับพี่หยองที่ไรมีเหมือนกันพรอว่าเขาหูทำคําสอนเอานํำทำคําสอนเปนใหญ่ไปปึงลักปึงตอตั้งหนกมามันเป็นอันที่รามันเกี่ยนได้เอาพระเจ้า ส, ส, สิบตอนเศร้าตอนไปไว้ตีเฮือนขมจางผาเสือได้ถ้าว่าหอมปฏิบัติกรรมเจียงดีผมเหวีอยงซัท่าก็าที่ฮูจักคูบาตอนหนึ่งเมืองไทยตินั่งคองยองเสียเสียเมืองไทยห้องหวาหลวงปอกคุณเปลีนเหล่าลือกันว่าตานเจ้าเนี่กัดหนาค้องหนาเมียก็หนึ่งสามีหลุดใจก็ให้เหลือที่น่ะ ขี่มอเอร์ไขี่สังเกตนี่นะร อ, อะรเขึงนี่ขี่รดเขึงขี่เฮงขี่ไว้โก้หลูกใจตายว่ละลไปบูชาเอาห่างแคบแคบน้อยของคุบาตอนนี้มาปั่นหลูกใจหลูกใจก็เอาห้อยกับนี่ขี่มือจอมกันสองเกาะ หลิ่มไปตึงเมาตึงลิ่มอะ่ะไปตั้มใสเสาไฟตายก็มืวก็อันซ้อนนั่นมันตายพอหึงมาผ่านไปว่าไม่ออกก็นี่เป็นน้ำหูน้ำตามือหาคุบากอนี่คุบาเจ้าหนิมนกัดเตอรรู้เป็นั่งเลว่าเจนั้นหลูกใจค่าเนี่ยมันขี่สังเกตไปตั้มเสาไฟฟ้าเนี่ย มันเอาเหลียญเจ้าหอยคอเนี่ยเจ้าเส้นเหนีมตัวผ่องกูว่าก่อนนี่ก็ตอบด้วยใจกัดใจเย็นบอไม่ออกหลุดใจไม่ออกเนี่ยมันหลิมเฮี้ยงอยู่่啊สังเกตนะนะก่อนตายนั่นกูว่าค่ะมันหลิมพรสุดอะกูว่าวะหรือกูว่ากว่าหันมันหลิมอยู่มันหลิมพรสุดอะ กูว่าไปเจอมนุกูว่าเหวนล้องได้เหมือสีส่ชีพเลยเพราะว่ามีปัมาต้าหลงลืมไพ่กล่อมจอยไรเอาพระเจ้าห้อยตังนาตังหลังอิลุมปุป่มปิ่มมัดจมเยาวาย์ไอ้กล่อมจ่อยเพราะฉะนั้นติ้มไหลปัมาต้าหลงลืมกูบาตอนไหนกลอมจ่อยไรกูบาเฮากอมจ่ยย <c oughs> อยไรอยากพิมมาต้าหลงลืมมีสติอยู่กับตัว หลองลืมผองนีนเป็นเรื่องธรรมดานะรองลืมผองเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าพี่คือล้องคือลืมคือปมอ่มีอกศรัทธาเขาได้กล่ำแจ้งปฏิบัติไว้คือได้หู้กองศีลกองธรรมต่างพระพุทธศ า, าสนาของเขาแต่เตศสนามาเนย่ยผมเมอกในวันนี้ก่อันว่าสมโกนเกี่ยการเวล า, าเจ็ดไปดึกไปต่างหลังกับพอหาวอ่ เตสนาวาสานีในตีแล้วแห่งพัทธมเตสนานีขอกุลพัติราตนาแกลยวเจ้าสามพระการจุงมาปอกงำหักษายังตอนโตผมเหากสัทธาตุกปูตุกคนคือการกุ่งุ่งเริงในวาราปุทธศาสนาคือมีจิตใจมันเกีียในวาราปุทธศาสนา คือมีสีลาอันดีอันงามคือมีใจมันเกลียนคือมีผาสติปัญญากับตัวกับใจในการสร้างนาหอต่อเฮิร์เรสร้างาศาสนาสืบต่อไปไปนาเตสนามาวันนี้ก็สมกวนแก่กาละเวลาเตสนารึงปมาโตมจุโนปตังความพระมาดหลองลืมนั่นก็เป็นหวัวหน้าแห่งความตาย ก็หันว่าสมโกนแก่ยกาลเวลาก็หากมีเหมือนอุตลูกไดเตสนามานี่เลยสาธุสาธุสาธุ